ทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นลำดับของการปฏิบัติเนี่ยนะลำดับของการปฏิบัติส่วนลำดับแห่งภูมิภูมิก็กามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิก็คือภูมิสามนะธรรมะในภูมิสามก็เรียกว่าลำดับภูมิอ่ะนะถ้าสมัยใหม่ก็อาจจะมีลำดับขั้นลำดับยศอีกใช่ไหมถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นอะไรนะพลทหารต่อขึ้นไปอีกเป็นนายสิบธอ่ะนะก็ไล่ไปอย่างนี้ไปเรื่อยอันนี้พวกลำดับยศอ่ะในในกำมี์ไม่มี มีแค่ลำดับภูมิก็พอแล้วอย่างชานุโสนีนะสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นตำแหน่งนะอย่างเขา้าช่อชานุโสณีพราหม์เข้าไปถามพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นตำแหน่งปุโรหิตสมัยก่อนเป็นตำแหน่งแบบไปเป็นในพนเป็นอะไรสมัยเนี้นะเป็นตำแหน่งลักษณะนั้นส่วนลำดับแห่งเทศนาอย่างสติประธานสี่สัมมาประธานสี่ที่บาทสี่อินทรียห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดอารย ม, มารมีองค์แปดนี้เรียกว่าลำดับเทศนา พราะลำดับเทศนาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะมีอยู่ไม่กี่แห่งนะที่จะขึ้นพรบทั้งสามสิเจ็ดขึ้นเต็มยศขนาดนี้นะมีไม่กี่แห่งบางสูตรก็ยกแต่สติปทานอย่างเดียวใช่ไหมบางสูตรก็ยกแต่สัมมาปทานบางแห่งก็ยกเฉพาะอิธิบาทบางแห่งก็ยกเฉพาะอินทรีบางแห่งก็ยกแต่พระบางแห่งก็ยกโพชงบางแห่งก็ยกอริยมรรคเนี่ยนะก็แล้วบางแห่งก็แสดง เกือบทั้งหมดบางแสดงบางแห่งก็แสดงทั้งหมดเนี่ยนะก็ตามสมควรเพราะว่าเทศนาเหล่านี้เนี่ยการที่แสดงอริยมรรคมากๆ ก, ก, ก็เพื่อให้พาเวตาประธรรมเข้าเจริญขึ้นพาเวตาประธรรมเข้าอ่อนเนี่ยนะพระองค์ก็จะประกาศพาเวตาประธรรมโดยประการต่างๆเนี่ยนะก็เหมือนอย่างว่าถ้า เ, เขาทําปริญญาในทุกขสัตย์ไม่มากพระองค์ก็จะแจงว่าทุกขสัตว์มันเป็นยังไง โดยประการทั้งปวงถ้าเขาไม่ละสมุทยัยพระองค์ก็แจงโทษของกิเลสถ้ากุศลเขาเจริญได้ไม่ค่อยดีพระองค์ก็จะแจงในเรื่องกุศลเขาจะได้เจริญโดยประการต่างๆเพราะพวก น, นี้เป็นลำดับของเทศนะเนี่ยนะเป็นลำดับของเทศนาเพราะว่าไม่ใช่ขึ้นที่ไหนก็สติปทานสามารถปรทานอิทิบาทไม่ได้ขึ้นอย่างนี้ตลอดไปใช่ไหมแม้แต่สติปทานสูตรเนี่ยนะขึ้นทั้งหมดนี้ไหมตอนแรกทำไมแสดงว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายสติปทาน มีสี่สี่เป็นฉนัพิจารณาเห็นกายในกายเป็นต้นอันนี้เรียกว่าเป็นสติประธานสี่พอมาพโธชงบัพพาเป็นอะไรก็แสดงถึงพโธชงพอสัจจะ บ, บัพพาแสดงอะไรแสดงมัคสั์แล้วโพธิปัจจะธรรมที่เหลือล่ะก็เช่นอาตาปีคือสัมมาประธานสี่นนะส่วนสติก็ได้ตามสมควรเป็นต้นเนี่นะเพราะการแสดงพวกนี้มันก็ตาม สมควรกับบางคนก็แสดงโดยสิ้นเชิงกับบางคนก็ไม่ต้องสิ้นเชิงอะไรเนี่ยนะเขาเรียกว่าการแสดงคำนี่มีอยู่สองอย่างเขาเรียกว่าสัพปริสัพปเทศะกับนิประเทศะสัพประเทศะก็คือแสดงแบบมีส่วนเหลือนิประเทศะก็ไม่มีส่วนเหลืออย่างเช่นสัพประเทศยานกับนิประเทศยานเนี่ยนะพระอานนท์เนี่ยท่านมีความรู้แบบมีส่วนเหลือหรือมีโดยเอกเทศ คือรู้ไม่ได้หมดทุกเรื่องพระพุทธเจ้าเป็นนิพพเทสะรู้โดยสิ้นเชิงแต่ที่นี้รู้โดยสิ้นเชิงถามว่าในยานเดียวพองครู้หมดเลยใช่ไหมตัวยาณตัวเดียวนะรู้ทุกเรื่องเลยใช่ไหมขณะเดียวรู้หมดเลยก็ไม่ใช่อีกนี่นะพองรู้สิ้นเชิงแต่ว่ามานสิการจรึงรู้ไม่มานสิการก็ไม่ไม่รู้นี่นะก็เหมือนกับเรามีตาเนี่ยเห็นได้หมดเลยใช่ไหมใช่เห็นตลอดเวลาใช่ไหมไม่ใช่ อาก็ว่ามีตาเห็นไม่ใช่หรือเอาเขาถ้ามานัสิการก็เห็นใช่ไหมย้าหลับก็ไม่เห็นอย่างเงี้ยไหมพระพุทธเจ้าก็ยานของพระองค์ก็เนื่องด้วยอาวัชนะเนี่ยนะเมื่อพระองค์ น, นึกจึงรู้ถ้าไม่นึกก็ไม่รู้ก็ก็จริงๆนะชาวนานถ้ามาอาวชนะไม่เกิดถ้าชาวนามจะเกิดได้ยังไงเพราะฉะนั้นพระยานทั้งหลายก็เนื่องด้วยอาวัชนะ ทีนี้มาดูลำดับของของเทศนาอีกในหนึ่งเช่นอนุปุพิกถาก็เรียกว่าเป็นลำดับเทศนาเหมือนกันตอนแรกพระองค์ก็จะประกาศเรื่องทานว่าทานเนี่ยดีอย่างนี้นะการให้ทานทั้งปาติ ป, ปกิกทานสังกทานเป็นต้นน น, นทีนี้การจะให้ทานมีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากผู้ให้ก็ต้องมีศีลผู้รับก็มีศีลทานนั้นจึงจะมีผลมากก็แสดงศีลกถาใช่ไหม ผู้ที่ให้ทานเป็นเหตุแห่งโพคะผู้ที่รักษาศีลเป็นเหตุแห่งสุขติเพราะฉะนั้นในสุขติก็เรียกว่าสักกะคือสวรรค์ทีนี้เมื่อไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาแล้วนะพร่งพร้อมด้วยวัตถุกรกรมเต็มที่แนละ้วเอาไปทําอะไรเนี่ยนะเอาไปทําอะไรกันนะนะแต่ก็มีคนเอาไปทําบุญเนี่ยนะแต่โดยมากไม่ใช่ดันั้นพระองค์ก็ประกาศโทษความต่ําสามเศร้ามองแห่งกามทั้งหลาย อันนี้เรียกว่าการ ม, มาทีนก็จะแสดงตามลําดับต่อมาเพราะว่าเอานี้นะของเราทั้งหลายเกิดมาทุกคนนี่มีร่างกายเคยแข็งแรงกันหมดใช่ไหมใช่ตอนสุขภาพดีแข็งแรงเอาไปทําอะไรนั่นแหละเรียกว่ากามมาทีนกแหละโทษองารงอมเต็มดีแล้วใคยว่าปี น, นีเพราะฉะนั้นวัตถุ ก, การมทั้งหลายที่พรั่งพร้อมบริบูรณ์นี่ก็อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นแต่ถ้าออกได้นี่เป็นเป็นเรื่องที่ดีพระองค์ก็จะแสดงเนคขมมะใช่ไหม คิดยังไงจึงจะออกจากกรามได้คําว ah ่าเนคขมมะนะบางแห่งหมายถึงบวตก็เรียกเนคขมมะบางแห่งหมายถึงศีลก็เรียกเนคขมมะบางแห่งหมายถึงสมถะก็เรียกว่าเนคขมมะบางแห่งก็หมายถึงอริยมรรคก็เรียกเนคขมมะบางแห่งเรียกว่าพระนิพานก็เรียกเนคขมมะนั้นคําว่าเนคขมมะเป็นคําที่กว้างมากตั้งแต่บวตเป็นเบื้องต้นมีนิพานเป็นที่สุดอยู่ในคําเดียวคือเนคขมมะนั้นก็ ถ้าประกาศเนคธรรมะตอนท้ายก็ไประชุมอริยสัจแต่จริงๆนะทานศี้นสวรรค์เนี่ยคือประกาศอะไรจริงๆก็คือทุกขศาสตร์แต่ว่าเป็นทุกขศาสตร์แบบแสดงแบบเย้าวยวนให้ฟังอ่ะนะสวรรค์นี่น่าปรารถนานะถ้าให้ทานรักษาศี้นเกิดในสวรรค์นะพอได้ไปเกิดในสวรรค์แล้วก็บอกสวรรค์ก็ไม่เที่ยงนะมันมีโทษนะออกเธอก็ก็เหมือนอย่างว่าเขาบอกโอ้โหประดับ ช้างซ ส, สวยเต็มที่เลยแล้วก็ตักงวงทิ้งซะในที่นี้ในที่นี้เนี่ยในที่นี้ในที่ไหนในลําดับยานทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วตั้งแต่สุตมะยะยานเป็นต้นเนี่ยนะพึงทราบไม้เอาลําดับสามประการคือลําดับแห่งการเกิดขึ้นแห่งยานสิบสี่ทั้งหมดนี่เราเรียนมากี่ยานละสิบสี่ยานแล้วนนะเพราะฉะนั้นยานเหล่านี้ถ้าจะกล่าวแล้วต้องเป็นไปโดยลําดับ ถ้าใครจะถามว่ายานะจะเกิดอย่างไรก็บอกลำดับของยานะจะต้องเป็นไปตามนี้เนี่ยนะแล้วก็ตามสิบสี่ยานนะเนี่ยนะทัวรอีกครั้งหนึ่งนะหนึ่งสุตตมยายานสองศีลธรมยายานสามสมาธิภาวนามยายานสี่ธรรมทิติยานหรือปัจจยปริหายยานห้าสมมสนายานหกอุทยพยายานเจ็ดวิปัสนายานแปด อาธีนวายานเก้าสังขารุปเปขายานสิบโคตรภูยานสิบเอ็ดมัคคายานสิบสองพลายานสิบสามวิมุตติยานสิบีปัจเวคขนาญาณโอเก่งมากเลยนะจํจำหัวข้อได้เลนะบอกโอ้เอาละ <c oughs> เก่งแล้วนะ <c oughs> อ่านตัวย่อดได้นี่ก็เก่งแล้วนะ ทีนี้พูดถึงลำดับของการปฏิบัติเลยนะว่าถ้าจะปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามนี้แหละถ้าจะปฏิบัตินะก็ปฏิบัติตามยามสิบสี่ยามนี่แหละจะไปทํายังไงถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้พรรคสูตรนี้ตรงเนี้เป็นตัวรับรองจริงๆว่าถ้าปฏิบัตินะถ้าคําที่แห่งการปฏิบัตินะก็นี่แหละวิสุทธิมัชนะยกจากนี่ไปทั้งหมดเลยถ้าใครอ่านวิสุทธิมัชโดยที่ไม่เรียนปฏิสัมพิธามัชนะโดยเฉพาะเล่มท้ายๆนี่ยากจะเข้าใจ ถ้าได้อ่านปฏิสัมพิธามมักด้วยแล้วก็กลับไปอ่านวิสุทธิ ม, มักนะแล้วก็อ่านสองอัมพีนเนี่ยกลับไปกลับมาจะรู้ว่าเรื่องเดียวกันนะนะแต่ว่าอรรถรสอาจจะแตกต่างกันบ้างนะ<อ><อ>เพราะจะกราบทศนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะอย่างที่แสดงตรงที่ว่าเป็นลำดับของการเทศนาขององค์ของโพธิปักขียธรรมเนี่ยค่ะ ในตอนขาะที่ทำปริญญานี้เป็นไปในทั้งสามปริญญาเลยค่ะยาตับปริญญาตีณะนแล้วก็ขนาดปารนะด้วยค่ะช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยเจ้าค่ะก็คือยังจับประเด็นคำถามไม่ได้เลยคือลำดับของเทศนานะคะที่เป็นตรงหน้าสามสิบแปดนะเจ็ดแปี่แปสบไม่ต้อง ที่กล่าวถึงว่ามีสติประธานสี่สมรประธานสี่อธิบัทิสี่อินทรีห้าพละห้าพุทธชงเจ็ดแล้วก็อริยมรรคมีองค์แปดแล้วที่พระอาจารย์กล่าวว่าตรงขณะที่ทําป ร, ริญญาเนี่ยนี่อยากจะทราบ ว, ว่าเอในองค์ของทั้งหมดตรงนี้ขณะที่เป็นญาตัป ร, ริญญาก็จะต้องรอบรู้ในตรงนี้ด้วยรวมทั้งตีละนะป ร, ะริญญาแล้วก็ขณะที่เป็นปหานะป ร, ะริญญาซึ่งเป็นเอขณะที่มรรคจิตเกิดหรือเปล่า ในโพธิปักจยธรรมทั้งสามสิบเจ็ดประการเนี่ยนะทั้งสามสิบเจ็ดประการเนี่ยคือตัวปริญญาตัวปริญญาธรรมเนี่ยนะเพราะว่าสภาวะที่ทําปริญญาในขณะมัสมั้กก็คือการประชุมของธรรมทั้งสามสิบเจ็ดประการนในขณะมัส น, นั่นเป็นปหาณะปริญญาแต่ตัวที่ทําปริญญาตัวต้นๆเลยนะยา ต, ป ร, ญญาตรปริญญานตนะีรณปริญญานั้นอ่ะตัวองค์ธรรมที่ทําปริญญาจริงๆคือ วิมังสิต ท, ที่บาตปัญญีปัญญาภละธรรมะวิจยะสัมโพชงสัมมาทิฏฐิเป็นตัวทำรรยาตะปริญญากับตรีรณะปริญญาส่วนธรรมที่เหลือเป็นธรรมเวทล้อมเป็นบริวารให้ให้ปัญญานี้ทำทำกิจในการทําปริญญาก็เหมือนว่าเหมือนกับ น, นักมวยนะไปต่อยชิงแชมป์เนี่ยนะมันต่อยอยู่คนเดียวนะแต่ว่าไปทั้งทีมใช่ไหมยกกันไปทั้งหลายคนไหม จะไปสมมติว่ามวยไทยจะไปชิงที่ญี่ปุ่นนี้ไงเนยถามว่าก็ส่งได้นักมวยไปคนเดียวก็พอแล้วต่อยคนเดียวอะ่ะถามว่าคนเดียวไหมก็ก็กยกกันไปเป็นทีม น, นะนี่ก็เหมือนกันกัวตัวที่ทําปริญญาจริงๆอยู่อันเดียวคือตัวสมา ธ, ธิแต่คุณธรรมที่เหลือแวดล้อมปัญญาในฐานะเป็นพี่เลี้ยงคอยบีบคอยนวดบ้างคอยให้น้าําบังอะไรบ้างนี่นี่ยแล้ก็ลักษณะนั้น เพราะขณะมร์เนี่ยเป็นชื่อว่ kind ขาขณะที่ทําปริญญาขณะมร์นั้นโพธิปัจหยธรรมทั้งสามสิบเจดเนี่ยบริบูรณ์ส่วนอย่างสติประธานเนี่ยอย่างตัวสติเนี่ยท่านยกในฐานะเป็นประธานเป็นประธานของเทศนาเพราะในนี้ทั้งหมดจะยกตัวใดตัวหนึ่งขึ้นเป็นประธานก็ได้เนี่ยนะในนี้เนี่ยจะยกฐันท่าอันเดียวก็ได้จะยกวิร <teams S 1> ิยะขึ้นอย่างเดียวก็ได้จะยกสติอย่างเดียวก็ได้ยกปัญญาอย่างเดียวก็ได้ยกสมาธิอย่างเดียวก็ได้ ยกอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเป็นประธานในเนี่ยถ้ายกอันใดอันหนึ่งนะที่เหลือเท่ากับยกแล้วอย่างเช่นเท่าแสดงส ต, ติประธานสัมมารประธานอิทิบาตินรียพระละโพชงมักแปดก็ชื่อว่าแสดงแล้วหรือถ้ายกมักแปดนะโคที่ปัจขยธรรมที่เหลือก็ชื่อว่าแสดงแล้วในลักษณะหาระจะเป็นลักษณะนั้นเนี่ยฉะนั้นคุณธรรมอันใดอันหนึ่งถ้ายกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะยังยังง่ายๆว่ะถ้ายังให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่นะ บารมีที่เหลือเท่ากับทัจเจรศพูดแล้วเพราะบารมีที่เหลือเนี่ยนะอย่างเช่นตั้งแต่วิริยะเป็นต้นไปวัตถุประสงค์ก็เพื่อทานศีลภาวนานั่นแหละนั่นนะเพราะเป็นเป็นธรรมะที่อุปการะเพื่อกูลกันตัวกุศลธรรมเหมือนกันถ้ายกตัวใดตัวหนึ่งอันที่เหลือก็เท่ากับแสดงเหมือนกันเป็นเป็นคุณธรรมที่ในกลุ่มมัชมัชมัชเนี่ยนะถ้าทั่วๆไปที่ใช้คําว่าปริญญาธรรมหรือ คือตัวปริญญาเนี่เป็นกุศลตัวปริญญ ย, ยธรรมนี่เป็นกุศลอกุศลอัพยากตะทั้งสามอย่างเลยนะเรียกว่าปริญญ ย, ยธรรมแต่ตัวที่ทําปริญญาเป็นกุศลอย่างเดียวทีนี้ลําดับของเทศนานี่ก็ดูนะว่าไม่ได้เลือกอะไรนะพงศ์ก็แสดงตามอัพยาศัยว่าใช้โวหารถ้อยคําเช่นไรเขาจึงจบับบรรลุมรรคผลได้อันนั้นแหละเป็นลําดับของเทศนา ในที่นี้ได้สองลำดับใช่ไหมเพราะแสดงตามลำดับทั้งสองลำดับทั้งสองคืออะไรลำดับแห่งการเกิดพร้อมทั้งลำดับแห่งการปฏิบัติเพราะฉะนั้นยานทั้งสิบสี่ยานเนี่ยเป็นการเทศนาตามลำดับการเกิดและเป็นเทศนาตามลำดับการปฏิบัติพูดอีกครั้งหนะว่ายานทั้งสิบสี่ยานทั้งหมดที่กล่าวไปเป็นเทศนาแบบ ตามลำดับแห่งการเกิดและตามลำดับแห่งการปฏิบัติไม่ตัวเทสนาเนี่ยเป็นวิธีเทสนาตามลำดับการเกิดตามลำดับการปฏิบัติข้างล่างเนี่ยบรรทัดล่างที่ว่าลำดับเทสนาเพราะแสดงตามลำดับด้วยสามารถแห่งลำดับทั้งสองนั้นคือตามลำดับไหนก็ลำดับแห่งการเกิดและลำดับแห่งการปฏิบัตินั่นเองก็พักสักครู่ก่อนนะ